ทัสสะภควาโตรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควาโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโม Ima't sa'temma periyajata Attho sa'thagat semantig Sa'tkajang thambo sotabbo จากใจฟังธรรมและจากได้ปฏิบัติธรรมการฟังธรรมและการปฏิบัติธรรมคือว่า สำหรับพวกอยู่ในทั้งหลายเขตแหนซีมาและเป็นหน้า ที่ได้มาร่วมประชุมกันอย่างนี้หลังนี้คนเราจะ Khinh, đuôi lòm rằm C'è xong ha xay Can Phực phuẩn Tren không tren Ra can phực phuẩn Tren không tren năn ทำให้บุคคลผู้ฝึกนั้นเป็นคนดีขึ้น ก็ฉะนั้นเราวิหารหลังนี้โดยเฉพาะในเวลานี้นั้นหลายที่ได้เก่าและคน ภิกษุสามเณรหรืออุบาสกอุบาสิกาเพราะเพื่อเป็น หรือเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายควรรู้ที่ก็จึงเป็นสิ่งที่ยากที่จะหลายควรรู้ควรรับ ที่เคยได้รับการศึกษาและปฏิบัติมา ก็ฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าผู้ที่มา สิ่งที่ผู้มาใหม่หรือเก่าก็ดี ถึงแต่ยังไม่เข้าใจเป็นผู้เก่าแต่ก็ยังไม่เข้าใจไม่เข้า ตัวเรายังคือรู้เห็นเพราะคนเรา ทําเข้าถึงตัวเรานั้นเข้าถึงตัวเรานั้น จากการประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละการถึงเราจะเก่า เพราะฉะนั้นฆ่าไส้หลักเบื้องต้น ของการกล่าวหลวงนั้นคำว่าศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ศีล 227 แต่ พื้นฐานสินห้าก็ศีลเป็นเครื่องได้แก่ศีล 5 อย่างเต็มขั้นตอนของคําว่าคนก็หมายถึงไม่สัตว์หมายถึงสัตว์ เพราะว่าโลกคืออะไรครองอยู่ในโลกด้วยอํานาจแห่ง ก็นั่นแหละคือโลกแก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส มีภัสสดูใดๆก็ตามที่มันปรากฏมีอยู่ในโลก เป็นเรื่องเครื่องทําให้เราเข้าไป ต่างๆซึ่งเป็นเดือนรากที่พวกเราทั้งหลายพา อันนี้ก็เป็นโลกอย่างเนี่ยยึดเกี่ยวข้องและพัวพันคือเป็นตัวประสานๆ สรรพตัวกิเลสโลกนั่นแหละชาติขันกิเลสคือความๆส่วนจิตใจ และก็ไม่เฉพาะที่ในภพชาติที่เราเกิดและเป็น ต่อไปอีกอีกเพราะต่อไปยังมีรีปัจจัยที่จะต้อง เมื่อนั้นแหละการหมุนเวียนแต่แก่กวานเกิด เป็นเส้นเหล่านี้เป็นธรรมที่มี จำเป็นต้องแบบกว่ากลายทุกส่วนเพราะใจจะบริหารใจถึงเอง ให้ได้โดยง่ายพระลงซึ่งเป็นเครื่องอาศัยได้โดยง่ายโดยไม่ต้องอาศัยกายวาจาหรือ เป็นที่อาศัยของมนุษย์และสัตว์ประจำต้องอาศัยสิ่งทั้งหลายมีกายก็อาศัยกายมีวาจาก็อาศัยวาจามีตาหูจมูก สิ่งที่เป็นคุณและเป็นโทษประโยชน์ จากกายจากใจสิ่งที่ดีและชั่วไม่ดีไม่ชั่วสิ่งที่ดีและชั่วไม่ดีไม่ชั่วซึ่งมีผลให้เด็น ร่วมไปในขณะหนึ่งก็ดี และการบังคับของดวงนั่นก็หมายถึงดวงใจดวง กับครั้งที่ไม่ดีไม่ชั่วไม่ ที่เราได้รู้ได้เห็นเราได้รู้ได้เห็นได้กระทบสัมผัส สายามีจากสิ่งนั้นๆนี่เค้าเรียกว่าเราเรียน จะเกิดวิชาความรู้ไม่ว่าจะทาง อาชีพที่บริหารบ้านเมืองจะต้องนำประกอบอาชีพของเราไม่ว่าจะ มากมายก่ายกองนี่ตลอดทั้งวิชาในทางธรรมะในทางพระ ได้แก่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราแก่ชีวิตความเป็นและผิดผลให้เราได้รับความของลึกซึ่งให้ ลงไปสุขมากทุกน้อยวิชานอกจากนั้นแล้วทางโลก ได้จนเกิดความได้หัดจนเกิดความเป็นเป็นความชํานาญขึ้นมาอย่างที่พวก เอาไว้ชีวิตไม่มันหลงมันลืมคู่ไปกับ เพราะฉะนั้นคนเหล่าหรือสัตว์แม้แต่สัตว์จึงมีการทุกๆอย่างซึ่งมันจะเป็นประโยชน์แก่ เราสึกผลมาแล้วด้วยกายด้วยวาจาและก็ๆ ทั้งที่เป็นเหตุผลที่ดีทั้งถูก ความไม่ถูกมันก็มีอยู่ไม่ถูกมันก็มีอยู่แต่ว่าทั้งความสุขไม่ สิ่งที่เราทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏเป็นรูปแสงสีจะเป็นเสียงเสียงมนุษย์ นุ่มนวลจะเป็นความเย็นความอุ่นความหนาวกระด้างจะทุกสิ่งทุกอย่างก็ตามเป็นต้นมันมีมากมายเพราะฉะนั้นอุ่นความ ดีกับชั่วถูกกับผิดสุขกับทุกข์มันเป็นธรรมชาติเป็นนี่ แต่ว่าคนเราเนี่ยเมื่อเกิดมาแล้วมัน สิ่งนั้นได้โดยชัดเจนตามความเป็นจริงของมัน <c oughs> ความไม่ดีความไม่ถูกต้องไม่ดีความไม่ถูกต้องผลของความไม่ แม้แต่จากทำลายขันธ์แล้วก็นําเราไป เพราะฉะนั้นมันก็จึงเป็นความจําเป็น กว้างแคบลึกตื้นลึกตื้นหยาบละเอียดละ เป็นผู้รู้ผู้เห็นที่ลึกซึ้งละเอียดซาบ ที่เกิดของความรู้เกี่ยวกับศาสนานั้นมันก็ย่อม support ที่จะสู่ลงไปไต้หวายธรรมดาธรรมดาในสมัยถึงว่า ปัญญ์ที่รู้ตามเป็นสารเป็นสมองแนวหน้าก็ ไม่มีความคิดใดอย่าไปหาเลยในโลกเพื่อมีหรอก ไปฌานศาสนาเท่านั้นแหละเพราะฉะนั้นคํา ไม่ใช่เกิดขึ้นกับคนธรรมดาผู้มีจิตเพียง พ้นไปจากความทุกข์ไอ้พ้นไป สรรจักขายได้จริงสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสติปัญญาทุกข์ได้จริง มีสติสมบูรณ์มีปัญญาแสงสว่างโดย ที่มาเป็นอย่างดีรับการฝึกฝนมานี่กิเลสทั้งหลายทั้งมวล นับพบนับกลับนับกันไม่ได้ก็ตายเมื่อใด สิ่งที่เคยบดบังและครองอำนาจเป็นยังผู้รู้พิสิ้น จากคนและสัตว์อย่างเราเราท่านๆพระพุทธเจ้าทรงมีกิเลสเหมือนพวกเรา เรเรามีโมหะคือความหลงอวิชชาคือ อะไรมันจะเกิดขึ้นนอกกายรู้อ่ะรู้ ทั้งทั้งที่ดวงจิตก็มีจิตวิญญาณใจของคนทุกคนไม่ๆแล้วย่อม ย่อมเป็นจิตที่สว่างสวัยเป็นจิตที่สว่างสวยนั้นน่ะจิต แต่ที่มันอับแสงลงไปที่บรรหับแสงลงไปให้ความเจิดจ้ารอบตัวทุก ลัทธิไม่ได้แจงต่างกันออกไปบางครั้งกันไม่ได้แตกต่างกันเกิดสูญ อยู่ประราคาพอดีจันทราคาดพอดีบาง ก็จะมืดเหมือนกันคืนอย่างนี้ นั่นคือตัวธรรมชาติของมันมี จะวจีเนนสมถะกรรมฐานสมาธิกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานกันมาเป็นเวลาชั่วท่านกระปิงหูงืองูแลบลิ้นบางท่านปวดสึกๆเข้าๆออกๆ แล้วๆเล่าๆคือปฏิบัติมาตลอดส่วนชาวพุทธที่สํารายแล <c oughs> หมดที่จะได้รู้ได้เห็นที่จะได้รู้ได้เห็นหูงูและลิงเพราะไม่ได้ประกอบ สมาธิภาวนาไม่เอาสัปปะกรรมฐานแม่เด็ดเอาวิปัสสนากรรมฐานไม่เอา 14 ค่ำเดือนเต็ม เจ้าได้แม้แต่ 45 ยิ่งจิตใจไม่เคยรู้สึกนิยม ที่จะสร้างความดีจะสร้างเพราะฉะนั้นดีเอาบุญ แต่พวกเราชาวพุทธมีบทบาทภาย เป็นการสนับสนุนส่งเสริมเป็นการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการน้อมนำจิตใจให้เข้าไปสู่หลักของการปฏิบัติเมื่อเราเข้าใจอย่างนั้นพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้า สอนจิตสอนใจถึงเราจะละ ขั้นพื้นฐานคือมีศีล 5 กัน ของเราเหมือนกับเราเหมือนกันมันก็ไม่ได้ผลอย่างเต็มที่ฝนกัน ในเมื่อเรามองตามจิตใจเพราะว่าจิตใจของเรา ที่มันมีส่วนทําให้จิตใจของพวก<สา> ไปอยากจะได้สิ่งที่ดีความอยากอยากจะได้สิ่งที่ดี เนื่องมันเกิดขึ้นใบดีมันเกิดขึ้นเอ้ามันก็หวั่นไหวอีกแล้วมันก็ มันมันเกิดกับหูกับตาก็ไม่อยากให้มันเกิดกับหูก็ไม่อยากให้มันเกิดมันเกิดกับจมูก ชั่วก็หวั่นไหวไม่ดีไม่ๆมันก็ มันก็พรรณที่ความนานของมันก็ เวลาปอดทุกข์มันเกิดขึ้นมันไม่คนา 1 หรือเหล่าสุคันขึ้นมาสู่ศาลา ว่าเราจะต้องใช้เวลาเพื่อ 30 นาทีจากนั้น ไปพร้อมร้อมกับการปั่นจนกว่าจะหมดเวลาคือ ปฏิบัติการสวดพอดีการไหว้พระพอ ขณะที่เราปฏิบัติคือการฟังจิตใจของเรา อยู่ในอย่างนี้ที่เราได้น้อมเข้ามา 2 ชั่วโมงฟังด้วยความสงบสบายฟัง พวกผู้กระทุทโธหรือเราจะบริกรรมพุทโธ และจิตใจของเราจิตใจของเราก็เจริญจิตเจริญใจอย่างนี้ในการ และเมื่อใดจิตใจของเราไม่เอาไหนเมื่อใดจิตใจของเราไม่เอา เพียงแต่ 5 นาที 10 นาทีก็ดู 2-3 ชั่วโมงนี่ขณะมันไม่พร้อบจิตใจของ เรามีชีวิตลมหายใจอยู่เพื่ออะไรเข้า การมาการไปของเราเรามา แต่พระพุทธเจ้าของเราทรงตัดสรุปธรรม จะรู้ตามเห็นตามที่พระพุทธองค์ทรงรู้ตรงเห็นนั้นได้ยากยากอย่างยิ่งจนทรงเกิดแท้พระไทยไม่อยากจะสอนถ้าเห็นความละเอียดลึกซึ่งสุกุมกำปีรภาพของธรรมะที่พระองค์ทรงรู้ และมองท่องถึงจิตใจของกตตะวโลกมัน สามารถรู้ธรรมที่ลึกซึ้ง <c oughs> การที่ควรจึงเห็นสามขึ้นมาได้นี่การรู้ เริ่มจัดการที่ปกุติเจ้าทรงแสดงเอาธรรมนั้นที่ทางเบื้องต้นเบื้อง ทางนี้เป็นทางสุจตรงทางนั้นก็เป็นทางสุจ จะสำเร็จพ้นพ้นจากกิเลสได้ทางที่จะ บรรลุตามขั้นตอนของการสร้างความยินดี